ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอประโปติยานกำมังนำเสนอเรื่องปัจเวกขณะสมาธิคือปัญญาเน้นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาเฉพาะกรเกันีไปก็มีอยู่อีกบทหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าอภินหาปัจเวกขณะ คือข้อที่ควรจะนำมาคิดนำมาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิจารณาจนสามารถกลับใจให้รู้เท่าทันทั้งความจริงหรือยอมรับความจริงในกรณีเหล่านั้นหรือปลงให้ตกแนวร่มทั้งหลายหรือว่าแสดงหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นก็แล้วแต่ว่าภูมิธรรมสติปัญญาของเรามีมากระดับใด แต่เรื่องเรนี้ที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามากๆเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเขาก็จริงแล้วแม้จะเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ถ้าทิงจุดหนึ่งคือถ้ากระทบตัวเราคนจะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสุ่เข่าตาทุเรียนคือ อ, ออกไม่ได้ ในขณะที่ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่คนอื่นเราสามารถอธิบายชี้แจงแสดงเหตุผลต่างๆได้วันแนวินหาประจเวคขณะจริงเป็นบทสวดที่ไม่ว่าจะทรงแสดงที่ไหนนะฮะจะทรงแสดงแค่ห้าข้อเท่านั้นแล้วก็ลงตัวแบบนิปริยายจะหมายความว่าจะแสดงกี่ครั้งก็ตามก็คือคือห้าข้อเท่านั้น แต่ถ้าเรามองกลุ่มที่มาแล้วเนี่ย4ข้อแรกมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสแก่กรรมนี่เป็นตัวหลักข้อที่4เป็นตัวเหตุซึ่งหมายความว่าจะทำก็ได้จะไม่ทำก็ได้คเคยเลือกทำได้แต่ส่วนผลนี่เราเปฏิเสธกไม่ได้ เพราะว่าเหตุนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วแนดิตแล้วก็ดับไปแล้วแนด่ดอตก็กลายเป็นเรื่องถ้ามองดูให้ดีเป็นเรื่องสังสารวัฏกับชีวิตเนี่ยสรงสอนว่าชาาธรมมหิฉลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ความแก่ ก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นนิรันดร์แล้วเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตจิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วเรียกว่าเริ่มปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและก็จิตใจให้เราเห็นแนะแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือจากช่วงที่อยู่ในคันจนถึงเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็เป็นช่วงที่เราชอบเลยไม่เคยรู้สึกมีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงที่เราไม่ชอบก็คือช่วงเลยกลางคนไปแล้วรู้สึกกลัวความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั้นเป็นไปในทางที่ไม่น่าปรารถนาเพิ่มขึ้นท่านก็จะแน่ความแก่ไว้เป็นสองช่วง ช่วงแรกเรียกว่าปฏิจจนาชราคือแกปิดเราใช้คำมีคำหนึ่งว่าเจริญไหวคือความเจริญนั่นเองความเสื่อมนั่นเองจะอ อ, ออกมาในรูปของความเจริญแต่พอถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าอปฏิจจนาชลาคือชราที่ไม่ปกปิดละมันเปิดเผยมันแสดงอาการออกมาหนังเหี่ยวฟันหักผมงอก ตาพ้ามือฟันฟังอะไรอะไรมันไม่ดีไปหมดเลยจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งจะทำอะไรนี่มันไปไม่ได้ตะเรียกว่าหัตถปาดาอนัสวามือเท้านี่ไม่อยู่ในการควบคุมเป็นความจริงที่เราก็พบเห็นกันแล้วเวลาสอนจริงๆจะสอนไวหลายในญาติกันถ้าฟังคงเคยได้ยินคาว่าเทวทูตแปลว่าผู้สื่อข่าวที่ประเสริฐ ผู้สื่อข่าวที่แท้จริงเวลาเราพูดถึงประวัติพระประวัติของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพูดถึงเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สามาัมเนแต่ถ้าเราไปดูในเทวทูตสูตรคือสูตรที่แสดงถึงเทวทูตท่านบอกว่าคนเราเวลาตายไปนั้นจะไปสู่สำนักของพระยาโยม แล้วถูกประยมสักถามว่าในขณะที่เคยเป็นมนุษย์นั้นแล้ก็เห็นเทวดาทั้งห้าบ้างหรือไม่ถ้าเขาบอกพอพบจอถามว่าคืออะไรบ้างถ้าเขาบอกได้ก็จะถามว่ามีความรู้สึกต่อคนเหล่านั้นอย่างไรทีนี้ก็าตอบได้หมดเนี่ยนะคนนี้ก็จะไปบังเกิดในสุกติแต่ถ้า ตอนความรู้สึกนี่ไม่มีความรู้สึกอะไระรู้สึกเกลียดชังรู้สึกไม่พอใจคนนี้ก็จะถูกตัดสินให้ไปตกกระบายแต่ถ้าลงมองให้มากยิ่งกว่านั้นนะนะนั่นแสดงว่าคนซึ่งมีการกระทาที่กั้มกึง่งพอจะไปสู่สุขติหรือทุกติน่าจะได้รับการพิจารณาอย่างนั้น เพราะไรเพว่มันมีเรื่องเป็นเรนมากที่ปรากฏว่าตายปั๊บก็เกิดปุ๊บไม่ได้ผ่านสํานักพยาโยามเป็นบาปหนักก็ตายไปตกนรกเลยอย่างแบบพระเทวทัตเนี่ยไปตกนรกไปเลยหรือพวกคนดีทั้งหลายเป็นเดนมากนี่ตายปั๊บก็เกิดในสุดในสวรรค์ได้หรือคนที่ได้ชาญก็ตายไปบังเกิดในภพโลกเลยเป็นต้นเนี่ยแม้เขาจะไม่ให้รายละเอียดไว้แต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกกรณี มันอาจะเป็นกรณีของคนซึ่งกั้กึง่งมันจะต้องเอาเงื่อนไขยอย่างอื่นมาตัดสนินมาช่วยอาจจะเป็นข้างเนรข้างช่วยนะฮเจ้านั้านบวกด้า น, บา น, บา น, บานลบ ก, ก็ไม่รู้เรืองคว่าตัวทูตั้ง5าเนี่ยตั้งหมายถึงเด็กทารกหรือผู้หญิงมีขันตรงนี้ก็หมายความว่าพูดถึงเรื่องความเกิดจะเกิดใหม่ๆหม ต่อไปก็เป็นคนต้องอาญาแผ่นดินถูกลงทันถูกจองจำถูกลงโทษสมัยโบราณในเสียบด้วยเหลา้านะบางทีก็ถูกพันธนาการด้วยโซส่สซวนต่างๆแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งตรงนี้พี่จิงก็น่าสังเกตอีกแหละนะเด็กอยู่ในคันก็ดีหรือผู้หญิงมีคันก็ดีเนี่ย ผู้หญิงมีคันก็มองไปที่คันนะฮะไม่ได้มองไปที่ตัวผู้หญิงคือมองไปที่ตัวชีวิตซึ่งอยู่ในคันหรือ ว, ว่าที่ข้อลงมาแล้วก็มองไปที่ตัวเด็กแล้วเด็กนั้นก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของวิบากขันซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสกับกรรมแต่คนที่ต้องอาญาแผ่นดินก็เป็นผลของกรรม ก็เป็นผลของกรรมที่เปลี่ยนอนาคตก็ตกลงว่าพูดเรื่องกรรมและเรื่องสังสารวัฏเหมือนกันเพียงแต่ว่ายักษ ย, ย้ายเปลี่ยนแปลงวิธีนําเสนอท่านนั้นเองปัการศึกษาการทําความรู้จักกับความแก่ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเกิดแต่ที่จะไปต่อต้านขัดขวางรู้สึกอึดอัดขัดข้องกับความแก่บางคนนี่อ่อนแอจนขนาดว่าใครเรียกเป็น ว้าเป็นลุงเป็นอะไรๆเป็นตาเป็นปู่เป็นอะไรไม่ได้เลยจะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยที่จริงมันก็ช่วยอะไรได้เยอะเพราะว่าหลักการในพุทธศาสนานั้นมันจะมีอะไรชดเชยกันอยู่อย่างในหลักที่ว่ามาแล้วเนี่ยทรงสอนพิจารณาวความแก่ความเจ็บความตายแล้วเอันรกรพาดพาดเนะี่ยสี่เรื่อง ซึ่งมันเกิดมาจากผลคือความเกิดความเกิดเป็นเหตุให้เราต้องเจอกับเรื่องเหล่านี้เราเกิดมาแล้วเรากระลีกไม่ได้เราแตในขณะเดีวยวกันในตุกกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติได้ตอนนี้เมื่อความแก่มันเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเสริมค่าของความแก่ซึ่ง ทำให้เราเป็นคนแก่เนี่ยพี่แก่ทั้งคุณธรรมแล้วก็แก่ทั้งร่างกายเรียวแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาเป็นคนแก่ที่น่ากราบน่าไหว้มีคุณค่าต่อการได้กราบได้ไหว้ได้พบได้เห็นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถที่จะชดเชยสิ่งที่ต น, นสูญเสียคือแก้ไขไม่ได้ ลองสังเกตว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในที่ใดก็ตามจะเป็นพระหรือว่าเป็นคารวาสมันกะ็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัญหาว่าเป็นคนแก่ที่ดีอ่ะหรือแม้แต่ดีเมื่อแก่ตอนก่อนอาจจะเลวร้ายมาแต่ว่าตอนแก่แล้วกลายเป็นคนดีก็กลายเป็นที่เคารพสักการะนับถือยกย่องบูชาของคนทั้งหลายได้ก็สามารถ ชดเชยได้แต่ในตัวความแก่เองเนี่ยต้องปรับใจยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราเกิดมานานแล้วเนะฮะจะว่ายังไงเราก็ต้องแก่มันก็แก่กันทุกคนแก่มากหรือแก่น้อยก็เป็นรายละเอียดมันก็มีปัจจัยเสริมก็ไปอีกเป็นอันมากคือคนบางคนไปเจอข้าวเนี่ย รู้สึกว่าท่านแก่เยอะแก้วกตามไปทำอายุยังไม่มากเลยนั่นก็แสดงว่ามันมีปัญหาในเรื่องสุขภาพภราราใหม่อยู่ด้วยแต่ว่าร่างกายเรามันก็อีกแหละมันเป็นรหลงของโรคแก่ก็พยายามบริหารรักษาชะลอนะชะลอความแก่เนี่ยทำได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องอื่นได้ ยังเวลาเนี้ยจะมาเวลาไปบรรยายรุมพระในต่างจังหวัดหรือว่าแม้ในกรุงเทพเนี่ยเราจะบอกเรื่องอายุเราจะยกอนก็จะเห็นว่าเราก็แก่แล้วนะท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่อนกว่าเราก็าจะมีเบรกนี่อะไรไรุ่งรังนั่นนะแต่เราก็บอกว่าจะไม่พักหรอกจะไม่เบรกหรือจะว่ารวดเดียวไปเลยนะผมเป็นคนแก่ผมทำได้เนี่ยท่านเป็นคนหนุ่มท่านต้องทำให้ได้ท่านต้องฝึก สร้างบารมีมีคันติมีวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานมีเบกขาเพื่อจะปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ให้มีความชุ้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือในการนําประโยชน์แล้วกลายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนจิตสํานึกของเราว่าเวลานี้เราแก่แล้วนะ อะไรที่เหมาะที่ควนแก่สถานะของความเป็นคนแก่ก็ควรจะประพฤติปฏิบัติจนได้เหมาะสมแก่แกรณีดังนั้นแต่ไม่ท่าบระโ ย, ยกับความแก่ทีนี้ในกรณีของความเจ็บก็ทรงสอนเช่นเดียวกันว่าปยญญาที่ธรมโมมีปัญญาทิ้งนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปได้ชีวิตเรานั้นเป็นรังของโรค เยวกับโลกันนทันทงป่ะพังคุณังสุดดังของโลกก่อนก่อนก็ประลด ถ, ถึงเจ้าคุณธรรมบิดดกว่าเราเสียดายพระองค์นี้ที่โรคมันเล่นได้เยอะนะเกินีถ้าไม่ไม่ร่างกายไม่ก็จะแข็งแรงแา่ว่าตั้งแข็งแรงเนี่จะทํางานอะไรได้มากกว่านี้อีกยะแต่ขนาดไม่แข็งแรงก็ทําได้เยอะเยอะนะเกินะ คนเราจริงมันเป็นลักษณะอย่าง น, <glorious> นั้คือไม่มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนเราได้อย่างเสียอย่างอาจจะได้ส an องอย่างเสียหนึ่งอย่างอะไรแต่อะไรเนี่ยผู้ใหญ่เล่าสมเด็จประมาณสมนาเจ้าซึ่งเป็นนักปรารถใหญ่เนี่ยก็สุขภาพกำลังทำไม่ก็ไม่ดีเจ็บดอเจ็บปวดอ่อแต่เดือตลอดเลย มันก็ทำให้เราเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือป้องกันป้องกันบริหารรักษาสุขภาพประนามัยไว้ให้ดีแต่มันก็บ่งชี้ให้เห็นว่ามันติดชีวิตมาตั้งแต่เกิดบางคนก็เจ็บไข้ามาบางทีเด็กเล็กๆมันก็เจ็บไข้ามาตั้งแต่เกิดก็กลายเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างเดี แต่เราก็สามารถจะป้องกันสามารถจะบรรเทาสามารถจะแก้ไขได้บัณฑงมานั่งก็ปวดดูโรคภัยค่าเจ็บบนตัวเองเพราที่จริงที่หายไปขาดไปนี่ก็มีตั้งหลายอย่างและโรคใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเคยให้ทุกทรมานมามากเนี่ยเกี่ยวกับระบบขับถา่ายเรนี่ก็ลดลงไปเยอะ มันก็มีโรคอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยมันก็เห็นมาไม่เคยปกติอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอตั้งวงคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีด้วยกันเออแสดงว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอมันเป็นขึ้นมามากๆก็ต้องอดการอดทนเอาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการดูจิตตัวเอง พเราไปค่าเจ็บเวลาแกเสียดแทงเนี่ยมันเป็นเวทนานุปสรรคมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือเวทนานุปสรรคสติปัฏฐานเราก็ตั้งสติดูมันที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันทุกข์ทรมานอาจจะภาวนาว่าปวดหนอเจ็บหนออะไรแต่อะไรไก็ได้หรือไม่ภาวนาเลยก็ได้นะก็ดูมันไป เราจะเกิดไปเห็นใจละเต็มความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของโรกภัยแค่เจ็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยของเวทนาที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างในขณะใดที่เกิดสุขในขณะนั้นก็ไม่มีทุกข์ไม่มีอุกขกำหสุขในขณะใดที่เป็นสุขในขณะนั้น ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีอทุกกรรมสุขในขณะใดที่เป็นอทุกกรรมสุขในขณะนั้นอาการของสุขของทุกข์ก็ไม่ชัดก็แสดงเวทนาเมื่อเกิดได้ทีละอย่างแต่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมันเป็นเจตสิกธรรมมันเปลี่ยนแปลงเร็วบาะบางครั้งพระพเจ้าก็สอนเนี่ยมองเวทนาเมื่อต่ำน้า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นนั้งอยู่ดับไปก็นนปถีเย็ดนะฮะเราก็ดูไม่ทันจะเอานิยายอะไรมันมากเพราะตัวเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็ช่วยอะไรตัวลงตัวนี้กลายเป็นครูละความแก่ก็เป็นครูนะฮะความเจ็บก็เป็นครูเราก็อยู่กับครูแทนที่จะมองมันเป็นสัมองมันเป็นครู เราครูก็มาเตือนแล้วครูก็มาสอนแล้วมาบอกกล่าวาเราแกงแล้วทีนี้สําคัญอย่างยิ่งพอเรายอมรับเนี่ยท่าทีของเราต่อคนแก่เนี่ยจะมองด้วยความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเขาก็คือครูเขาแกาให้เราดูแล ว, ว่าต่อไปเราพอถึงวันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่ท่านเล่าถึงสามเณรเรวัต หรือว่าเ ป, เป็นเด็กนะครับเป็นน้องคนเล็กของพระสารีบุตรพระสารีบุตรต้องเอาน้องชายสามท่านน่ะน้องหญิงสามท่านหลานชายออกบวชหมดเลยคือครอบครัวเป็นครอบครัวพระอระหันต์วันแม่ในแค้นมากเลยพระสารีบุตรนี่เอาพี่เอาน้องออกบวชหมดเลยท่านจนถึงการว่า เนรเรวัตซึ่งเป็นเด็กอายุเจดขวบเนี่ยจ้าถูกนําไปบวชด้วยก็เลยรีบจับแต่งงานกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบเด็กตั้งคู่นะไม่ปฏะสภาษาอะไรคือจุดกระจายความคิดที่เด็กเรวัตเขาเขาชิดเนี่ยจะ ถ, ถือว่าเป็นอัจฉรยิยะนะฮะแต่ตอนนี้ก็นําไปขอพรจากย่าทวดแล้วเขาก็ให้พรว่าขอให้หลานทั้งสองเนี่ย มีอายุยืยเหมือนกับยาทวดเรยว่าแก่ขาสะดุดใจทันทีถามว่าเวลาต่อไปผู้หญิงคนนี้อายุเท่ากับยาทวดก็จะเป็นเหมือนยาทวดใช่หรือไม่ก็อบอกว่าใช่แล้วก็ผมเองละ่ะก็ก็ว่าใช่ออก็เป็นเหมือนกันจะยาทวดนี่แก่น่าดูนะแกร้ยี่สิบปีเราเนื่ดูคนแก่ร้อยยี่สบปีนี่มันจะงงเงื่อนขนาดไหนทุรักทุกเลขนาดไหน เรียว่าก็นางเป็นตัวเองอีกเท่าไรล่ะร้อยสิบสามปีข้างหน้าเนี่ยเพราะต่อไปนี่จะเป็นอย่างไงเห็นผ้านตนเองแก่หมอมงอเงินเนื้อตัวสรรั่นเห็นพัญญาของตัวเองต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นดว ง, งชีวิตประมาณมันคล้ายๆจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทําให้เห็นว่าเออพี่ชายพี่สาวในที่เองหนีบวชหมดเด็กคงก็เห็นนี้เอง เสร็จแล้วแกก็ไม่คิดแล้วมันคิดจะทําอะไรตามแม่แล้วคิดจะหนีตามพี่ชายล่ะภาษาที่บวชนัน ท, ท่านสั่งพระไว้ทุกขุกนก็แข็ท่านบอกว่าใครเจอน้องท่านแล้วจับบวชหมดเลยไม่ต้องไปขออนุญาตแม่รเราเวลนี้ผมถือว่าผมเป็นพ่อผมเป็นแม่ท่านก็สั่งไว้อย่างงี้งวันเดีรีวัดตังเกา เด็กในวัดเนี่ยก็วางแผนหนีจนหนีได้ น, นี่เข้าไปปักอยู่ในป่าทําเป็นท้องเสียแวะพักเลยแล้วไปแอบนั่งั่งอยู่ในป่าหน่อยก็กลับมาพอก็วางใจว่าท้องเสียจริงการระแวดระวังมัน้อยลงเหลือเพี้เตียวพอหนีเลยี่อยู่ในป่าสิบสี่ปีนะฮะอยู่ในป่าไม้ตะเคียนออกไปเมือ่อู้เจ็ดขวบ ก็ออกจากป่ามาอายุยี่สิบเอ็ดพระยาดเสด็จเข้าไปบวชให้ในป่าเด็กเล็กๆ เ, เราลองนึกดูวเด็กเล็กๆคนหนึ่งอา ย, อยุเจ็ดขวบเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ลำพังเพราะกลัวชีวิตที่มีความแก่ง่อมรออยู่ข้างหน้าความแก่จึงกลายเป็นครูผลักดันให้ท่านบารรลุมรรคผลเป็นพระหานได้ เพรานั่ก็จริงมันอยู่ที่เราคิดอย่างไงอ่ะคือยังไงยังไ ง, ง, งมันก็แก่อยู่แล้วคนบางคนก็มีความรู้สึกว่าแม้พระาบางองค์เนี่ยท่านไม่ชอบไปใครไปเรียกหลวงปู่หลวงตาแต่มาที่จริงตั้งแต่นานมาแล้วนะมีความรู้สึกชอบเวลาเด็กเรียกหลวงปู่หลวงตาเรารู้สึกชอบรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักมันคล้ายๆเขาเขาก็เปลี่ยนเรานะคือเด็กนี่เ้ามองอะไรเนี่ยเขาเรียกนี่เขาถูกทาไว้นะ แสดงว่าเด็กที่เรียกเราลุงปู่ลุงตาเนี่ยก็แสดงว่าเธอเห็นว่าเราแก่แล้วอเด็กที่บีเรียกหลุงพี่แต่เราไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยภาษีภาษาอะไรแต่ก็ไม่ว่าอะไรเขาแล้วแต่ถ้าถามความรู้สึกเด็กเรียกลวงพี่กับเด็กเรียกลุงตาเรียกหลวงลุงเรียกลุงปู่เนี่ยเราชอบอะไรมากกว่าเนี่ยเราก็ชอบเขาเรียกลุงตาลุงปู่มากกว่า เรียลุงพี่เนี่ยไม่ชอบเรียกลุงน้าอย่างปกฝังได้อ่ะนะเราไม่ใช่วันสองวันมันก็เป็นเป็นอะไรเป็นอนุสติมันเตือนมั้นเตือนใจเร า, เราก็าการเป็นครูแต่เนี้ยถ้าถ้าหากว่าใครเรียกแล้วเนะี่ยก็แสดงว่าเราก็คงยแย่แก่ออกไปสมกวรแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ความแก่ให้น้อยลง ให้ความสำคัญกับความเจ็บไปน้อยลงแต่ว่าหาประโยชน์จากความเจ็บไปได้แน่นอนร่างกายเราทําให้เจ็บไข้ได้ปวดมากเกินไปเนี่ยมันก็น่าจะทําอะไรได้ดังเยอะนะแต่บอดีก็โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเตียยมันขัดขวางเปดูประสักมันก็เป็นอย่างนั้นวันตั้งผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเสียงอาตมาจะมีลักษณะค่อนไปทางเป็นหวัด บานทีก็อยู่ในช่วงที่หมอก็ห้ามพูดนะแต่ว่าไอ้งานตรงนี้เราเราหยุดไม่ได้เราก็จาเป็นต้องพูดบางทีแม้จะมีเสียงหวัดอยู่บ้างเพราะถ้าเราจะปล่อยมันหายจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันทำอะไรไม่ทันนะั่นแหละแตอ น, นั้นก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้แต่คนฟังเองก็จะรู้เออนี่ก็เป็นอาการป่วยอย่างไร แต่ว่าธรรมะเขไม่ได้ปวดธรรมะเขเป็นสัจธรรมนำเสนอเมื่อไหร่เราก็จะเข้าถึงความจริงได้รับประโยชน์จากความจริงเหล่านั้นเมื่อนั้นทุกฝั่งทั้งหลายแต่รลกพระโพธยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้องามไปบุญในธรรมจึงมีท่านทุกฝัง่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี